จึงยกมากล่าวเน้นไว้ต่างหากคุณค่าสองข้อแรกคือคุณค่าด้านการทําจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระและคุณค่าด้านการทํากิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทนนั้นทั้งคู่ท่านมักกล่าวถึงโดยอ้างอิงหลักอนิจจตาเพราะความเป็นอนิจจังเป็นภาวะที่มองเห็นได้ง่ายผู้ปฏิบัติธรรมแม้แต่ในระดับเบื้องต้นก็จะได้รับประโยชน์จากไตรลักษณ์ โดยเข้าถึงคุณค่าสองข้อแรกนั้นตามสมควรแก่ปัญญาของตนแต่คุณค่าข้อนี้คือคุณค่าเนื่องด้วยความหุดพ้นหรือคุณค่าเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งความดีงามมักจะมาพร้อมกับการมานาสิการความเป็นอนัตตาความจริงการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมให้ผลเนื่องถึงกันหมดดังนั้นการพิจารณาลักษณะทั้งสาม จึงมีคุณค่าส่งถึงความหลุดพ้นได้ทั้งสิ้นแต่กระนั้นตัวเด่นในการตัดสินชี้ขาดจะอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจอนัตตาดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์ ท, ที่ว่าพึงเจริญอนิจจสัญญาพึงถอนอัศมิมานะดูกระเมคียะแท้จริงเมื่อมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาจึงปรากฏผู้มีอนัตตสัญญา หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาจะลุกภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัศมิ ม, มานะความถือพองว่าเป็นตัวกูเป็นนิพพานในปัจจุบันนี้แหละในมหาปุณณะสูตรมัจฉิมนิกายอุปริปันธามีพุทธพจน์แสดงถึงคุณค่าเนื่องในความหลุดพ้นที่มาพร้อมกับการมนสิการความเป็นอนัตตาเช่นว่าภิกษุมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะไม่มีอหังการมัมมังการและมานานุสัยทั้งในกายอันพร้อมด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตหมายทั้งปวงภายนอก อหังการได้แก่กิเลสที่เรียกชื่อว่าทิฏฐิมะมังการได้แก่กิเลสที่เรียกชื่อว่าตัณหามานานุสัยได้แก่กิเลสที่เรียกชื่อสั้นๆว่ามานะนิยมเรียกเป็นชุดว่าตัณหามานะทิฏฐิพุทธพจน์นี้มีสาระสําคัญว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นอนัตตาชัดแจ้งแล้ว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 สแสวงหาอํานาจมายกชูตนที่เรียกว่ามานะและความยึดติดในความเห็นของตนความถือมั่นงมงายตลอดจนคลั่งไคล้ในความเชื่อถือทฤษฎีลัทธินิยมและอุดมการต่างๆที่เรียกว่าทิฏฐิกิเลสสามอย่างนี้มีชื่อเรียกรวมกันเป็นชุดว่าปปัญจหรือปปัญจธรรมแปลกันมาว่า ทำเครื่องเนิ่์นชาถ้าจะแปลให้ง่ายก็ว่ากิเลสตัวปัน่นคือปั้นแต่งเรื่องราวปั่นใจให้ทุกขปั่นหัวให้เรื่องมากทําให้ยืดเยื้อเยิ้นเยอยุ่งเหยิงยืดยาวฟ้ามเฟอฟันเฟือล่าช้าวกวนวุ่นวายนุงน่งนางสับสนสลับซับซ้อนทําให้เควห่างหรือถลายเชื้อเฉออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆเปิดเผยปัญหาที่ยังไม่มีก็ทําให้เกิดมีขึ้น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 สุดแต่กำลังปัญญาจะเห็นประจักษ์แจ้งทำจิตให้เป็นอิสระตดพ้นได้เพียงไหนเมื่อไม่มีกิเลส ต, ตัวปั่นเหล่านี้เป็นเงื่อนปมแอบแฝงและเป็นตัวกีดกั้นจำกัดให้คับแคบหรือเป็นแรงพัดพาให้เชือนเฉแล้วหนทางแห่งการทำความดีงามก็เปิดโล่งกว้างไม่จำกัดขอบเขตจะบำเพ็ญคุณธรรมหรือสร้างสรรกรรมที่ดีงามใดๆเช่นไมตรีกรุณาทานศีล อัตจริยาหรือการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำได้อย่างบริบูรณ์เต็มที่และสะอาดบริสุทธิ์รวมความว่าการเห็นไตรลักษ์ด้วยมนาสิการอย่างถูกวิธีจะนำให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมทั้งความดีงามและความงอกงามที่มาพร้อมด้วยความสุขกล่าวคือดีงามด้วยกุศลธรรมที่แล่นโล่งไปไม่มีอกุศลคอยขัดทวงหรือบีบเบียน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 มุ่งเอานิรามิตรสุขคือสุขที่ไม่อาศัยอามิตรเป็นสําคัญเพราะเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยความหมักหมมที่มักบูดเน่าหรืออืดเฟ้อและก่อโทษขึ้นได้ในภายหลังผู้ที่มองเห็นไตรลักษ์รู้เท่าทันธรรมดาและมีนิรามิตรุขเป็นหลักประกันแม้จะยังเสพกามสุขก็จะไม่มืดมัวถึงกับหมกมุ่นหลงไหลหรือถลำลึกจนเกิดโทษรุนแรง โดยเฉพาะจะไม่เกินเลยจนกลายเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนตนและผู้อื่นและแม้เมื่อความสุขนั้นผันแปรไปก็จะไม่ถูกความทุกข์ใหญ่ท่วมทับเอายังคงดารงสติอยู่ได้มีความกระทบใจแต่น้อยเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขในทุกระดับได้อย่างสมบูรณ์เต็มอิ่มเต็มรสและคล่องใจเพราะไม่มีความกังวลขุ่นข้องเป็นเงื่อนปมหรือเป็นเครื่องกีดขวางที่คอยรบกวนอยู่ภายใน